กราบนมรสการหลวงพ่อและพระภิกษุสงฆ์ทุกรูปเจ้าคะ่ะสวัสดีสหายผู้ปฏิบัติธรรมทุกทุ ก, ท, กท่านนะคะดิฉันชื่อประาพาภัสนะคะนามสกุลนิยมเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนลุงอรุณและก็สถาบันอาสมสิน์ซึ่งไดเ้เป็นการดำเนินงานของมูลนิธิโรงเรียนรุงอรุณและเป็นที่มาของการ ที่เราได้สร้างสังคมของการปฏิบัติธรรมจนกระทั่งมีสถานที่นี้ขึ้นมานะคะปรลุสติสถานแห่งนี้ซึ่งเราก็ได้รับความเมตตาจากครูบาอาจารย์มากมายนะคะโดยเฉพาะหลวงพ่อมหาก็ช่วย เ, เรียกว่ารับผิด ช, ชอบในการที่จะจัดสรรคอสปฏิบัติธรรมให้กับญาติโยมทั้งหลายนะคะรวมทั้ง ครูอาจารย์ที่อยู่ในโรงเรียนด้วยผู้ปกครองด้วยก็ทุกคนก็ได้ประโยชน์นะได้สมประโยชน์สร้างสังคมของโรงเรียนวิถีพุทธขึ้นมานะนี่นก็พาครูปฏิบัติธรรมตั้งแต่เปิดโรงเรียนนี่ครบยี่สิบปีพอดีค่ะเพราะปีนี้เป็นปีที่ยี่สิบตั้งแต่เริ่มเปิดโรงเรียนก็พาครูปฏิบัติธรรมเพราะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดสาหรับครูก็คือการเป็น นำมันทางจิตวิญญาณถ้าหากว่าเขายังไม่สามารถที่จะนำตัวเองได้เนี่ยก็ยากที่จะนำผู้อื่นนะคะ น, นั้นก็เป็นเรื่องราวที่ผ่านมายี่สิบปีเราก็ได้พัฒนาวิธีการต่างๆในการฝึกอบรมครูนะเพื่อที่จะให้เป็นครูที่มีจิตวิญญาณครูจริงๆนั้นเองก็ได้ปฏิบัติด้วยเพราะว่าเราเอง ก็จําเป็นเหมือนกันนะคะเริ่มเริ่มตั้งแต่แรกถ้าเราไม่ทําเนี่ยคุณครูก็คงไม่ทําแล้วก็เราก็จะไม่รู้ด้วยว่าเป็นอย่างไรแต่ว่าเหตุที่มาที่เรื่องปฏิบัติธรรมเนี่ยเรื่องมาจากเป็นสิ่งที่เราพบว่ามีคุณค่ามีประโยชน์มหาศาลอในการที่เราดูแลลูกนะคะลูกด็กนั้นก็เป็นออทิสติกหลายคนคงจะรู้จักนะสมัยนี้แต่สมัยก่อนนี่ก็ ยังไม่ค่อยมีคนรู้นะโรค ก, ก็ไม่ได้เป็นโรคหรอว่าเป็นเรื่องของความผิดปกติทางเคมีหรือว่ า, าสิ่งที่มันเป็นระบบของการทำงานของสมองซึ่งเราก็ได้โอรสสำคัญก็คือเรื่องของทางด้านจิตใจนะะที่จะเยียวยารักษากันเพราะนั้นที่จงก็ได้ประโยชน์มหาศาลจากาการที่เราปฏิบัติธรรม ปฏิบัติทราเพื่อเพื่ออะไรเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ใช่ไปเปลี่ยนลูกะนะคะใครเขาจะเป็นอย่างไรเนี่ยนะเราไปอยากให้เขาเป็นอย่างอื่นมันไม่ใช่นะแล้วก็ผลมันก็จะไม่เกิดแต่ถ้าหากว่าเราเปลี่ยนที่ตัวเราเองแล้วก็เราเข้าใจวิธีการสร้างความสัมพันธ์ระบบความสัมพันธ์สมัยการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างก็จะเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับตัวเราเองนะฮะ เราจะฟังเขาเข้าใจไหมเราจะพูดกับเขารู้เรื่องหรือเปล่ามันอยู่ที่คุณภาพหูเรานะ <c oughs> คุณภาพจิตใจวิญญาณโสตวิญญาณของเราเนี่ยมันมันคมชัดแค่ไหนมันมันมีสติสัมปชัญญะอยู่ด้วยหรือเปล่านะคะไม่งั้นเราก็จะหลุดไปที่อารมณ์ใช่ไหมคะเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงชอบบ้างไม่ชอบบ้างเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวไม่พอใจ เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือเราก็ต้องพัฒนาตัวเราให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพจากภายในขึ้นมาก็พยายามที่จะปฏิบัติมาอย่างต่อนเนื่องนะคะโดยเฉพาะ เ, เรนก็ลองมาหลายวิธีนะตั้งแต่เริ่มเปิดโรงเรียนก็ครั้งแรกสุดเนี่ยก็ไปปฏิบัติของคุณแม่สิริกรินชัยนะอันนั้นก็จะเป็นแบบพิจารณาการเคลื่อนไหวอริยบทอย่างละเอียดนะ ก็ได้สมาธินะคะตรงนั้นก็มีประโยชน์นะะแล้วต่อมาก็ไปปฏิบัติกับท่านอาจารย์อมราสาขากรซึ่งก็ก็ได้ประโยชน์เพราะท่านก็จะเน้นเรื่องสติการเจริญสตินะฮะสัมปชัญญะแต่ว่าก็แล้วแต่นะว่าใครจะฉลาดแค่ไหนในการปฏิบัติธรรมเร็วช้าขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะะอย่างนั้นก็ไม่ได้ว่าทำได้รวดเร็วอะไรก็ต้อง พยายามเรียนรู้อย่างต่อเนื่องนะคะทำไปเป็นเพื่อนครูทั้งหลายค <c> ณ <oughs> นะครูคณนะผู้บริหารก็ทำไปด้วยกันนะคะแล้วก็ต่อมานี่ก็ลูกที่จริงก็รู้จักที่วัดป่าสมพนัทอ่านะแล้วก็เคยได้ยินแต่ลูกสาวนี่ก็เป็นคนมาเขาไปดูก่อนแล้วเ็าก็มาชักจูงว่าแม่ต้องไปที่นี่แหละ <c oughs> เขาไปดู ยังไงนะเราก็ว่าง่ายเชื่อลูกลูกบอกให้ฟังค่ะก็เป็นปฏิบัติของแนวคําสอนของหลวงพ่อเทียนนะะแนวเคลื่อนไหว14จังหวัดที่ท่านกำลังทำาเช่นนี้แหละก็เป็นการปฏิบัติที่เอ่ิ่านก็ทำอย่างจริงจังที่สุดติดต่อกันหลายปีนะคะอยู่หลายครั้งมากเลยนะทำบ่อยไปบ่อยแล้วก็ เก็บอารมณ์ก็มีนะคะแล้วก็มาที่หลวงพ่อมหาพรเอิญก็ได้มีบุญได้มาพบท่านแล้วก็ท่านก็ได้เมตตานะคะเราก็ปฏิบัติบ้างไม่ปฏิบัติบ้างนะแล้วแต่โอกาสนะคะ mm hmm. แต่ก็ยังต้องทําอยู่ที่สถาบันเนี่ยทุกวันศุกร์เช้าก็จะปฏิบัติะะ mm hmm. สวดมนต์ทำวัดเช้าเสร็จก็พากันปฏิบัติ mm hmm. ก็มีผู้ปกครองมาร่วมด้วย ทุกคนก็จะรู้สึกว่าอันนี้เป็นเป็นเป็นที่พึ่งประจํำนะของทุกวันสุกเช้าอย่างน้อยที่สุดทุกคนก็จะได้ตรงนั้นก็พากันปฏิบัตินี่คราวนี้เนี่ยเด็กก็มีโอกาสคืออยากจะทดลองกับตัวเองว่าถ้าเราไม่อยู่อนะฮะสักสี่สิบวันเนี่ยคนอื่นเขาอยู่กันได้ไหมความที่เป็นผู้บริหารมาเนาะตลอดเนี่ยมันทําให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นเหมือนกันนะคิดว่า ทุกคนก็ต้องพึ่งเราเดีค่ะแล้วมันเป็นการสร้างเงื่อนไขอะ่ะให้เขาพึ่งเราเอ้ก็ลองนะทดลองไม่อยู่สักสี่สิบวันนะก็พยายามเคลียร์งานเร่งด่วนทั้งหลายตรงหน้าเท่าที่ทําได้แล้วก็ไปนะคะไปอยู่ที่เชียงใหม่ค่ะพอดีไปเป็นสถานที่ที่เป็นของเพื่อนที่รู้จักกันแล้วก็ก็วิเวกดีแล้วก็เป็น สำนักสงฆ์นะคะที่มีพระอยู่ประมาณหกเจ็ดแปดรูปนะคะในระหว่างพรรษาแต่ยังไม่ได้เป็นวัดแล้วก็เพื่อนเขาก็เป็นอุปถากอยู่แลวเขามีบ้านอยู่ในนั้นเราก็เลยได้ไปอาศัยเขาก็ไปอยู่ที่นั่นก็ไม่คิดถึงบ้านเลยเป็นสถานที่ที่ทำให้เราได้เปลี่ยนแปลงตัวเองจริงๆนะ เราก็ต้องไปทำทุกอย่างก็ต้องเป็นอุปถากวัดเหมือนกันต้องทำกับข้าวทุกเช้าขึ้นถวายประตานอาหารานะคะเป็นกุ๊บใหอดูแลเสร็จแล้วก็ต้องเก็บล้างถ้วยล้างชามที่นั่นผู้ปฏิบัติอคนที่ที่มาทานอาหารเขาก็จะไม่ได้ล้างเองเราจะต้องล้างทั้งหมดรวมทั้งกระทะไหตหลิวทุกอย่างก็จะทำเป็นประจําทุกวัน แล้วก็ทางจงกรมก็ไม่มีต้องไปทําเองก็ไปทําทางจงกรมแล้วก็ต้องจัดสรรเวลาที่ตัวเองจะภาวนาได้นะจะมีสวดมนต์ทําวัดเช้าทําวัดเย็นก่อนสวดมนต์เช้าเนี่ยเราจะต้องตื่นมาปฏิบัติซะก่อนคือมันต้องจัดวินัยให้ตัวเองนะว่าเราจะทําได้ยังไงทุกวันนะให้มีเวลาทุกวันที่จะภาวนาก่อนสวดมนต์เช้าก็ต้อง ทำสักภาวนาสักพักหนึ่งก่อนแล้วก็ช่วงหลังจากทานอาหารเสร็จเรียบร้อยจากครัวแล้วก็ไปปฏิบัติช่วงบ่ายก็ไปเดินจงกรมเดินจงกรมจนถึงเย็นก็ถึงจะกลับมาทํากิจธุระเสร็จแล้วตอนเย็นก็สวดมนต์ทำวัดเย็นแล้วหลังจากนั้นก็ปฏิบัตินะคะก็จะทำอย่างนี้ทุกวันมันก็เป็นจังหวะชีวิตที่ทําให้เราได้ฝึก นะคะได้เผชิญกับทั้งในรูปแบบใช่ไหมในทางจงกลมซึ่งเราก็ต้องดูแลของเราเองกับนอกรูปแบบก็คือเราต้องเผชิญกับสถานการณ์หรือกิจวัตรทั่วไปกับผู้คนกับอะไรต่อเมือะไรแล้วก็อาจารย์จะเทศให้ทุกวันแล้วเรามีมีประเด็นซึ่งจะถามท่านเอาไว้แล้วขอกรรมาทานท่านนะ ท่านก็ให้กรรมาฐานท่านให้กรรมาฐานก็คือแต่จากปัจกะกรรมาฐานค่ะซึ่งท่านคิดว่าเราปฏิบัติแนวหลวงพ่อเทียนมาแล้วท่านว่าดีท่านว่าเป็นพื้นฐานที่ดีมากน ะ, ะเพราะว่าอันนี้ก็ดูกายแต่ว่าท่านอยากให้เราใช้วิธีการพิจารณาเสริมเข้าไปด้วยนะคะซึ่งเราก็ทำตามก็เป็นนักเรียนน้อยที่ว่าง่ายที่จริงพระอาจารย์ก็ยัง ท่านพรรษาเยอะแล้วแต่ว่าอายุยังไม่มากแต่ท่านก็มีบารมีนะคะก็จะเข้าใจผู้ปฏิบัติแล้วก็จะสอนได้ตรงนะะกับโจทย์ของเรานะคะเวลาเราปฏิบัติแล้วเราก็ต้องไปรายงานแล้วท่านก็จะสอนแล้วเราก็เอามาปฏิบัติแล้วก็ไปรายงานก็จะเป็นอย่างนี้นะคะท่านก็จะปล่อยท่านเนีบอกว่าท่านไม่มีการกําหนดรูปแบบให้เราถือว่าเราต้องไปสร้างกําหนด ตัวกิจวัตรและการปฏิบัติของเราด้วยตัวเราเองให้แข็งแรงให้เข้มแข็งนะะแล้วก็การพิจารณาเนี่ยปรากฏว่าท่านก็ใช้หลักว่าในเมื่อเวลาที่เราปฏิบัติเนี่ยรู้แั้เราเดินในทางจงกรมก็ดีหรือว่านั่งสร้างจังหวะก็ดีเรามักจะฟุง้งนะสังขารเนี่ยมันจะมันจะปรุงเข้ามาเยอะท่านก็บอกว่าอย่าปล่อยให้ สังขารมันครอบงำเราโดยเราไม่ได้ไม่ไม่สามารถจะช่วยตัวเองได้แต่ให้ใช้สังขารมาพิจารณาเลยพิจารณาเข้าไปท่านก็บอกให้กำหนดนเนี่ยเ่งก็กาหนดตะโจหนังนะคะก็กาหนดแต่ก่อนที่จะกำหนดเนี่ยเราจะต้องสำรวมนะเราต้องสำรวมสังวรระวังนะคะให้อยู่กับปัจจุบันขณะ ให้มากที่สุดตอนแรกนี่ฉันก็จะเริ่มด้วยการสร้างจังหวะก่อนแล้วก็ให้อยู่ในภาวะของจิตใจที่สํารวมได้นะพอสำรวมได้เราก็พิจารณาพอพิจารณาเนี่ยใฉันก็ก็ก็เพิ่พงเป็นครั้งแรกนะฮะเป็นประสบการณ์ครั้งแรกจะถูกหรือผิดมากน้อยอย่างไรก็ไม่ทราบได้แต่ว่าก็ต้องทดลองมันก็จะได้ประเด็นขึ้นมามันจะเริ่มเข้าสู่ความจริงบางอย่าง ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยต้องการให้เราไปพบความจริงนะะสัจธรรมใช่ไมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกายและในใจของเราอันนี้ในกายเนี่ยถ้าเราลองพิจารณาไปทีละอย่างมันก็จะเจอความจริงอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่แปลกแล้วก็ในจิตใจของเราเนี่ยมันจะมีมันจะมีข้อมูลและความรู้อันนี้ขึ้นมาบอก คึ้นมาบอกทั้งๆ ท, ที่เราก็ไม่ได้เรียกว่าสนใจหรือว่าเอาไปอ่านไปอะไรมามากมายนะคะแต่ว่าพอเราพิจารณาไปพิจารณาไปเนี่ยมันก็จะเข้าใกล้ความจริงเข้าไปเรื่อยๆนะมันจะเกิดทั้งเข้าใกล้ความจริงหรือเป็นความรู้ที่ขึ้นมาแล้วรวมทั้งพร้อมๆกับการยอมรับความจริงยอมแพ้เกิดการซเลนเดอร์ ยอมแพ้กับความจริงที่อยู่ใกล้ตัวเราที่สุดซึ่งเราก็ไม่เคยสังเกตมาก่อนนะอันนี้มันก็ทําให้มันเหมือนกับว่าจิตใจของเราเนี่ยก็จะเ อ, อมีอุปนิสัยขึ้นมาในการที่จะเข้าใจความจริงเหล่านี้และมีอุปนิสัยที่จะปฏิบัติเพื่อให้เข้ามาสู่ความจริงเหล่านี้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่ได้มานะคะอันนี้ก็พูดอย่างย่อๆที่สุด แต่ในรายละเอียดเนี่ยมันก็มีเยอะแยะมากนะซึ่งเราปฏิบัติไปเราก็ต้องไปถามไปถามอยู่เรื่อยๆนะคะว่ า, อ, าอย่างนี้มันใช่หรื อ, อยังอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้หรื อ, อยังนะคะแต่ว่าอันนี้ก็ทำให้เราเริ่มศรัทธาคำสอนมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วเริ่มเห็นจริงว่าโอ้ท่านก็เอาใบไม้แค่กำมือเดียวนี่แหละมาสอนเรานะคะ แล้วเราก็ต้องทำให้ตรงเข้าไปที่คำสอนคือทำให้ตรงคำสอนให้เร็วที่สุดนะฮเราอย่าไปอยู่กับสิ่งอื่นเรื่องอื่นเสียนานหรือว่าส่งจิตออกไปที่อื่นๆที่เรื่องอื่นมากมายซึ่งจริงๆแล้วมันใช้ความสามารถเดียวกันก็คือสังขารของเราถ้าสังขารของเราไม่ขี้เกียจนะเป็นสังขารที่ขยันนะ มันก็จะทำงานในแนวทางของการที่พาเราไปเข้าสู่แนวทางคำสอนได้เช่นกันนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่นำมาเล่าสู่กันฟังนะคะอย่างยอ่อคือคือหนังมันก็คือหนังอะคะ่ะทุกวันนี้ที่เราเดินเดินอยู่นี้เราเล่นหนังกันนะฮะเราเล่นมันแล้วเราก็เป็นผู้ใช้มันชั่วคราวเท่านั้นเองแม้ว่ามันจะเป็นตัวที่ทำให้เราอยู่ใน เหมือนเป็นเรือนรังแห่งภพที่เรามาอาศัยอยู่ได้สร้างความเป็นอัตภาพอัตลักษณ์ของเราขึ้นมาไอตัวแผ่นหนังทั้งหมดเนี่ยที่มันครอบเราอยู่โดยรอบในที่สุดโดยรอบทั้งอวัยวะภายในทั้งอะไรต่อเมืออะไรทั้งหลายแล้วมันก็เห็นเป็นสิ่งที่เห็นได้เป็นรูปร่างเป็นอัตภาพขึ้นมามันเป็นตัวที่หลอกให้เราหลอกเราอย่างเนียนมากว่าเราเรามีตัวตน ที่แท้แล้วมันก็คือธรรมชาติของการเสื่อมสลายอยู่ตลอดเวลาเวลาหนังมันล่วงไปอ่ะหลวงพ่อเวลาเรามีแผลเราเก่าเราก็มองดูเอา้าแล้วเรามีแค่นี้เองแล้วเราไปยึดว่าเป็นเราได้ยังไงเราเอาตรงไหนว่าเป็นเราใช่ไหมคะมันเห็นแล้วมันจะรู้สึกนะถ้าเราพิจารณาบ่อยๆมันจะรู้สึกมันจะรู้สึกว่าโอ้ไม่เชื่อมันแล้ว มันจะเกิดความรู้สึกขึ้นมันอาจจะยังไม่ได้เห็นประจักษ์โดยตรงยังไม่ได้ประจักษ์ในธรรมที่แท้จริงโดยตรงแต่คล้ายๆกับว่ามันเข้าใกล้แนวทางเข้าไปเรื่อยๆคือท่านคิดว่าของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องแสวงหาของตัวเองด้วยเหมือนกันท่านก็ได้แต่บอกว่าท่านผ่านกรรมฐ า, านอะไรแล้วท่านก็เล่าว่าพระอาจารย์ครูบาอาจารย์แต่ละท่าน ผ่านกรรมฐานอะไรฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคงต้องแสวงหาของเราเองว่าเราท่านบอกค่ะท่านบอกท่านก็พิจารณาตจากปัญจกกรรมฐานแล้วท่านก็เชื่อว่าถ้าเอรูปมะขันเรายังไม่แจ้งแทงตลอดเนี่ยยากที่เราจะไปเข้าใจถึงนามะขันได้เมื่อท่านผ่านตรงนั้นเนี่ยท่านจึงเข้าใจโอ้ท่านใช้เวลานานท่านใช้เวลานานแล้วท่านทุ่ดองตลอดฮะ ท่านดูดองมากแล้วก็พบครูบาอาจารย์เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อกันหาค่ะหลวงพ่อใหญ่สายหลวงพ่อชาคือเราต้องมีโยนิสงฆ์มณสิกานะมีการพิจารณานะคะในธรรมพิจารณาคือเราต้องพยายามที่จะตื่นตัวมีสติสัมปชัญญะตื่นที่แล้วก็พิจารณาสิ่งที่มันปรากฏอยู่ตรงหน้านะคะเช่นบอกว่า หนังการแรกๆ เ, เทคนิคท่านก็คือว่าให้บริกรรมไปก่อนจนกระทั่งมันคุ้นเดินไปก็ตัโจตัโจตัโจเดินกลับก็แผ่นหนังแผ่นหนังแผ่นหนังทําอยู่อยจนคุ้นสักพักหนึ่งสักพักหนึ่งเนี่ยแล้วเริ่มพิจรารณาเราก็จะเริ่มพิจารณาจากว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรคือมันต้องมีโยนิโสมา ก, ก่อนพระพุทธเจ้าสอนอะไรสอนให้เรามาปฏิบัติทําไมเราต้องมาเข้าถึงความจริง เราไม่ได้มาปฏิบัติเพื่อสบายเป้าหมายของการปฏิบัติเราคือมาพบความจริงนะความจริงนั้นคืออะไรนะคะความจริงนั้นคืออะไรความจริงของชีวิตนั้นคืออะไรคือการที่เราตกอยู่ในปัญหาอุปาทานที่มันหลอกเราใช่ะเรื่องหลังนั้นชีวิตมันเป็นเพียงแค่ของชั่วคราวที่เรามาด้วยกัน ปัจจัยต่างๆที่เราสร้างพบขึ้นมาในในในชาตินี้สร้างพบสร้างชาติขึ้นมาแล้วก็ท่านก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นของเราเสมื่อไหร่เราก็ไปอ่านในอคําสอนในในในบทสวดแม้ได้ในบทสวดใช่ไหมฮะที่บอกว่าก็ในเมื่อมันเสื่อมสลายมันอาพาธแล้วมันก็ไม่ยั่งยืนแล้วเราจะเอาตรงไหนเป็นของเรา เราก็เริ่มพิจารณาเอาตรงไหนเป็นของเราอ่ะเนี่ยมันจะต้องดึงดึงเข้ามาอย่างนี้ดึงเข้ามาเพราะนั้นก็ต้องใช้โยนิสโสมนสิกานะคะและพอเราช่วงที่เราพิจารณาอย่างเงี้ยเราจะไม่ฟุ้งไปเรื่องอื่นเลยมันจะไม่มีฟุ้งเรื่องอื่นเข้ามาเจือปนและสมาธิมันจะดีมากการเดินจงกรมเราก็จะเบ้าสบาย นะคะเราจะทําไปได้เรื่อยๆเรื่อยๆเราก็พิจารณาไปพิจารณาไปแล้วคําตอบมันก็จะค่อยๆออกมาแล้วแผ่นหนังมันคืออะไรแผ่นหนังมันคืออะไรมันคืออะไรมันก็จะค่อยๆออกมาพอออกมาเราก็ถามต่ออีกถามต่ออีกถามต่ออีกเพื่อที่จะค้นหาคําตอบแล้วเราก็ต้องตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้พบความจริงขอให้พบความจริงแล้วกลับมาเวลาภาวนาตอนกลางคืนเนี่ย ก็จะใช้วิธีสร้างจังหวะก่อนแล้วก็พัฒนาตัวคือประคองธาตุรู้เอาไว้หลังจากที่เราได้มันพอสมควรจากสติสัมปชัญญะเต็มเต็มเนี่ยเราก็จะฝึกนั่งเนี่ยเคลื่อนเคลื่อนไหวจังหวะเนี่ยแล้วก็ไปให้ถึงคล้ายๆกับมันมีสมาธิพอสมควรยังไม่ถึงอัปปนามันยังไม่ถึงกับตัวที่ดิ่งลงไป แต่เราจะประคองแล้วก็ให้รู้จักธาตุรู้ตัวเนี้ยเอาไว้ให้ให้ให้สม่ําเสมอให้เรื่อยเืยมันอาจจะได้ขณะเดียวหรือมันอาจจะได้สักพักหนึ่งก็แล้วแต่แต่เราก็จะทําบ่อยๆให้คุ้นกับการเข้าไปใช้ธาตุรู้ตรงไม่ได้เน้นให้ถึงอัปปนาะท่านจะไม่ให้ไปถึงอัปปนาเป็นแค่คณิกาก็ได้อุปจารก็ได้เกือเกือบจะเข้าผวัง เกือบเครับท่านพอนะคะเรงถามว่าตอนเดินจงกรมนะคะไม่ทราบว่าพิจารณาสังขารยังไงด้วยคะคือตัวสังขารเนี่ยเราเราจะยังไม่พิจารณานะเราจะพิจารณาตามกรรมฐานที่ที่ที่เรากําหนดเอาไว้แต่ว่าการพิจารณาเนี่ยมันใช้สังขารสังขาร น, นี่มันเป็นความสามารถชนิดหนึ่งของของคนเราเนาะเรามี เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเราเอาสังขารมาใช้ในทางการปฏิบัติแทนที่จะถูกสังขารครอบงำเอาเราไปกินซะไปฟุง้งซะเราก็ใช้นี่แหละความสามารถพอเราทำไปเราจะพบว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่มีบวกมีลบนะคะมันเป็นของมันเองมันเป็นธรรมชาติมันแล้วแต่ว่าเราจะใช้มันหรือมันจะใช้เราทีนี้สังขารนี่มันเป็นความสามารถนะ ทำให้เราพิจารณาได้ทำให้เราโยนิโสได้ลองดูสิคะ่ะลองใช้อขอบคุณที่ถามนะหายสงสัยไหมคะใช่คะ่ะแล้วเราก็จะรู้สึกลำคาญ น, นะบางทีนะมันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วทีนี้พอเราถ้าเราใช้มันเป็นเนี่ยเราจะไม่ลำคาญเขาแหละเราจะรู้สึกว่าเขาก็เป็นธรรมชาติของเขาเองนั่นแหละมันก็ เออจะเกิดมันก็เป็นปกินอากาศนะฮะโน่นนี้นั่นอะไรมันก็ผ่านเข้ามาก็ไม่ถือสานะแต่ว่าเราอ่ะจะใช้เขาหรือเปล่าต้องต้องใช้ค่ะต้องใช้เขาต้องใช้เขาก็เราก็พิจารณาไปเลยนะเราก็ตั้งคําถามกับตัวเราเองไปเลยตั้งประเด็นไปเลยเหมือนอย่างนีน้เริ่มตั้งประเด็นตั้งแต่ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรเราสอนเราทําไมสอนแล้วเรามาปฏิบัติทําไมเราจะเอาอะไรเราตั้งเป้าหมายที่ไหน จะพบความจริงไหมเราต้องเข้ามาอย่างนี้ค่ะพิจารณาคือการพิจารณาอันเนี้ใช้สังขารแล้วพิจารณาสังขารสังขารคือหมายถึงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหรอคะไม่ใช่ค่ะคือไม่ได้พิจารณาสังขารแบบนั้นคือมันมีรูปมีนามใช่ไหมคะค<ะ>ทีนี้พระอาจารย์ที่แนะนําเนี่ยท่านบอกว่าให้ผ่านจากรูปก่อน ท่านบอกว่าถ้าไม่ผ่านเรื่องรูปเนี่ยเหมือนอย่างของหลวงพ่อเทียนเนี่ยก็ให้พิจารณาเรื่องใช่ไหมคะกายก่อนเนาะถ้าไม่ผ่านตรงนี้เนี่ยมันไม่อยู่ในฐานะที่จะไปเข้าใจนามได้เพราะฉะนั้นก็ต้องออพิจารณากายนะแต่ประเด็นพิจารณากายเนี่ยท่านให้เลือกนะก็มีอสุภะก็มีใช่ไหมคะอาจารย์ก็ได้บางคนอาจจะเลือกอสุภะก็ได้แต่ว่าของเรียนเนี่ยเลือก หนึ่งอย่างในตาจักรันจกะกรรมฐานซึ่งมีเกษาโลมานขขาธันตาตาโจนี่นี่เลือกตัาโจเลือกที่จะพิจารณา น, นี้และการพิจารณานี้เนี่ยคือเราคือเราต้องเข้าใจคําว่าสังขารนิดหนึ่งสังขารที่ท่านพูดเนี่ยหมายความว่ามันเป็นความสามารถในการคิดในการปรุงแต่งของเราใช่ไหมอ่าแต่ว่าโดยมากเนี่ยเราไม่ค่อยได้ใช้เขาอย่างจงใจแต่เราถูกเขาใช้ โดยบังเอิญโดยเราไม่รู้ตัวเราก็คิดฟุ้งซ่านมันก็ขึ้นมาเป็นเรื่องเป็นราวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเราถูกสังขารครอบงำอยู่แล้วก็ทำให้เราเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นมาทำให้เราเข้าใจว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่เราคิดอย่างนั้นเราคิดอย่างนี้ถือทิฏฐิมานะกับความคิดด้วยซ้าไปนะอันนั้นเนี่ยมันเป็นภาวะที่เราถูกสังขารครอบงำนะในห้า ห้าอย่างใช่ไหมรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะคะเพราะฉะนั้นท่านก็บอกแก้เผ็ดซะในเมื่อมันมีความสามารถนัด ก, <c oughs> ก็เอามาใช้ซะเอามาใช้ในการพิจารณานี่แหละสมมติว่าเราจะพิจารณาผิวหนังแล้วก็ามาพิจารณาเรื่องผิวหนังแล้วเราก็จะพบว่าเขามีความสามารถจริงๆะก็ก็พิจารณาได้จริงๆเออมันก็แปลกดีเหมือนกันนะฮะคือ <c oughs> มันไมเป็นการคิดละคะ่ะ <c oughs> มันเป็นการคิดแต่ว่ามันเป็นการคิดเข้ามาสู่ทางธรรม มันไม่ได้คิดนอกลู่นอกทาง mm hmm. มันคิดเป็นเรื่องที่ควรจะคิดอ่ะมันเหมือนเราต้องสอนจิตเราอ่ะทีนี้ถ้าหากว่าเราไปเฉยๆเพลินๆไปเนี่ยจิตมันก็ไม่ได้ถูกกล่อมเก่าเท่าไหร่น ะ, ะอ่าอะไรมันก็จะแทรกเข้ามาเยอะก็จะแทรกเข้ามาเยอะมันก็เหมือนกับเป็นวิธีกัน mm hmm. ไม่ให้สิ่งต่างๆมันแทรกเข้ามาท่านั้นเองนี่ก็เป็นการทดลองนะท่านก็อย่าเชื่อนะดีิ้นนั่นก็ทดลองกับตัวเอง นะคะเราก็เป็นนักทดลองอ่ะผู้เรียนรู้เราก็ต้องทดลองแต่เมื่อทําแล้วเนี่ยผลมันเกิดขึ้นท่านก็จะเข้าใจอีกเรื่อมีการพิจารณาถึงเวทนาของทางกายไหมคะว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่างเงี้ยคะ่ะคือก็แล้วแต่ว่าท่านจะหยิบยกอะไรขึ้นมาพิจารณามันแล้วแต่แต่บุคคลแต่ท่า น, นไม่ได้ไปพิจารณาเวทนาเพราะตัวเองก็ไม่ค่อยมีเวทนาอะไรมากมแล้วท่านสุดท้ายนะผมขอ เรียนถามนะครับตอนที่พิจารณาเนี่ยิตรง น, นั้นเป็นอย่างไรครับจิตวัยจิต อ, อ่อนคือเน้นต้องใช้วิธีว่าเริ่มให้ประคองสติสัมปชัญญาก่อนฮะเพราะฉะนั้นจิตเราเนี่ยจะจะค่อนข้างเป็นกลางนะฮะจะไม่ไม่ไม่ไม่ไหวไปไปมากนะค ะ, ะไม่งั้นพิจารณาไม่ได้นะ คือเราไม่ได้ใช้ความอยากมาพิจารณาไม่ได้ใช้ตัณหามาพิจารณาแต่เราต้องอยู่กับสติสัมปชัญญะแล้วก็สำรวมสังวรระวังในระหว่า ง, งที่เริ่มเริ่มเริ่มเนี่ยเริ่มจะพิจารณาเนี่ยก่อนจะพิจารณาเนี่ยต้องถ้าไม่สร้างจังหวะก็ต้องเดินจงกรมจนกระทั่งเรียกว่าจิตอยู่ในภาวะที่ที่พร้อมพอสมควรแล้วผมขอเรียนถามพิยันหน่งครับ อาจารย์ที่สอนนะครับไช้ลืมตานรือหลับตาครับงานแนวการเวลาพิณานะฉันจะอยู่ในอริย า, บ, าบทไห <บา S 1> นก็ได้ฮค่ะในยามไม่ต้องหลับตาดิฉัไม่ได้หลับตาเลยคณบูรณาอาจารย์ประพาพัฒที่อาจารย์ปลูกต้นไม้ในกระถางมานานแล้วไปเที่ยวนี้ยกต้นไม้ในกระถางลงดินเท่านั้นเองนะแต่ว่าต้องเลี้ยงต้นไม้ต่อไปอย่าให้ตายแต่ว่า ก็หวังว่าอามาจะยกลงเองไม่ได้นื่อมาจาเจ้าของเต็มใจหรือไม่เต็มใจแต่ที่นึกเจ้าของเต็มใจที่ยกลงเองพรามันถึงเวลาก็ขออนุโมทนาในความตั้งใจแล้วก็มีการพัฒนาในระดับของผู้นําในระดับนี้หาได้ยากในยุคปัจจุบันที่จะเอาตัวเองอุทิศตัวเองเพื่อสิ่งนี้ เพราะนบุญกุศลทั้งหลายที่ท่านได้ทํามาที่ได้สนับสนุสนกิจการงานพระศาสนาทั้งโดยตรงและโดยอ้อมที่เป็นประโยชน์ต่อคนทั่วประเทศและคนทั่วโลกต่อไปก็ข อ, ขอให้พวกเราทั้งหลายได้ฟังและได้พิจารณานําไปใช้ในส่วนที่เหมาะสมกับตัวเองแล้วก็ได้รับประโยชน์เป็นความสุขความสงบและความสว่างสวยัยด้วยการทุกคนทุกท่านที่